พี่น้องลูกหลานเขามาทางนนะลูกหลานนะประจาที่หลวงพ่อสิบวอย่างให้ฟังสักน้อยจากนั้นก็จะมีการปรัพรมนาม้าพระพุทธมนต์เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับลูกหลานญาติพี่น้องบ้านเฮ้าหรือว่าภูี่มากรวมงานและก็พร้อม ก, กันก็เมื่อลองพ่อสิบวอย่งให้ฟังอชาติน้าพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริเป็นมงคล อ, อยู่ในความสงบระบัดห น, นา้าลูกหลานหนะน้าเมรนณะาวาเป็นวันมงคลมหามงคลสาหรับบูบานหน้าขัางของพวกเฮาลูกหลานพวกเฮาทํามาทุกปีแต่แต่เริ่มบานหน้าขัางกวาได้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินที่พวกบานพี่น้องบานหน้าข้างออได้รวบร่วมกัน หลวงพ่อเป็นผุดายชะต่างให้มันสักเถื่อนวันสองแสามเถื่อนัยังได้ทีแปลงนี้มานะยังบัตรนักขั้มขึ้นกันหลวงพ่อก็ได้ซื้อที่ดินสําหรับหมู่บานไอ้มู่บานพอบอกผู้เฒ่าผู้แกขึ้นโบท่านที่แหลกตามไม่จริงขนาดจะ ก, กันไหวแต่ในมัดกันโบท่านพอมาเปนเป็นทีขอบข้องมดแหล่าวัดต่อมาประเทศยังไงล่ะมีผู้ซื้ขายก็เอือเอาซื้อ หลวงพ่อก็ได้สือไหวใ ห, ให้นี่แหละเป็นสมบัติของหลูกคลองลานแล้วก็ บ, บอแมนเถี่เพียงทอนั้นหลวงหล่ําโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ซอยโรงเรียนอรุบาล น, นาคําน้อยโรงเรียนประชา บ, า บ, บ้ า, านแล้วก็บอแมนจุดในทิีนของเห่าอีกหลวงพ่อยังมั่งไปไกลๆอัเพอน้าโสมแล้วก็ลายมูบานแต่หลวงพ่อกันยังย่งแนะนําอีกเลย แนะนรหลวงผู้บาอาจารย์ชัดท่านยนี่โยมเขามาในทีนเฮาอย่างโยมผู้ก่อนเนี่ยเนกซอยหลายลงเลียนที่กันลงพอเองกันไปซอยทั้งมุกดาหารก็มีน้องบัวลำพูก็มีแล้วก็อำเภอเชียงข้านอำเภอเอราวัณอำเภ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เอทาบออันนี้ก็คือการช่วยสาธารณะประโยชน์ ไหวในประเทศชาติบ้านเมืองแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเขาไปนูน่นไปวัดปลาบ้านตาดหลวงตามหาบัวเพิ่นได้ว่างกคดเกณฑ์เอาไว้แต่เพิ่นยังส่งถาดทส่งขันอยู่เพิ่นวัรทมบุญเปิดโลกธาตุวันที่สามสิบพฤษภาทุกปีนับเนื้อมาหลายสิบปีเมื่อวานนี่ก็เป็นวันครบรอบ หลวงพ่อก็ได้เด็เข่าไปออกจากวัดตั้งแต่ตีสี่นะพ่อไปหอดว่าหลวงปู่ลี่หลวงปู่ลี่กุสลทาโอเพิ่เนเงินสุขภาพพอดีแล้วอายุมากแล้วอะไรเลหลวงพ่อก็เลยเป็นเป็นหัวหนา้าเป็นผูผ้านั่มสัท่าญาติโยมทุกศิษยลูกหาองคหลวงตานี่นนะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ประกาศในวัด ปาันาว่าเออวันที่ส3บสามเนอที่วันที่13กรกฎาห้หลวงปู่รี่พ่นส่างเจดีผ้าแดงเราก็พวกเขายังพระท่้นร่วมกลุ่มกันคณะชิด ท, ทั้งหลายลูกชิลู ก, ล ก, ลกหาหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหเนี่ยมัได้ร่วมกลุ่มกันหลวงพอ่อขอประกาศเอะชัาญาติโยมอมผอมรสงหนุกนอกนงทั้งหลายวันที่13นายจะเป็นทอด่าป่ า, ปาสามค เพื่อสางเจดีย์พิพิธภัณฑ์พอหลวงปู่ลี่หลวงปู่ยงไงหลวงปู่ลี่เข้ากับเพิ่นกับสางเพื่อถวายองค์หลวงตาไวบนผ้าแดงพวกเข้าในฐานะลุงหลานน้องลุงทั้งหลายก็ช่วยๆกันเด้อคนละไม่คนละเมือร่วมกลุมกันบ้านเนี่ยตะกอนต่างข้นกับต่างถวายอย่างหลวงพ่อนี่ก็ถวายเพิ่นสเถื่อนหรืเด้อหลวงพ่อประกาศเมื่อวาน เทือที่นึ่กับ0แสนเสือที่2กับสแสนเทือที่3านี่ย0 0แสนลวงพ่อได้ถวายเจดีย์หลวงปูนะ่ลี่เนี่ยล้านหนึ่งลนะเนาแต่ว่ามือวันที่13ประกาศไป็นีน่กช่อยๆกันอีกลูกล้านทุกขู่ทุกคนมากหน่อยประว่ากันเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลวงปู่ ลี่ของเข้าข อ, อายุมากแล้วเป็นแบบลวบร่วมลูกหลานสร้างเจดียด์เพื่อบูชาพระคุณของหลวงตาเพรนั้นพวกเข้าลูกหลานทั้งหลายจะซอยกันบายโมงเนะวันที่สิบสามนะลวงพ่อประกาศหมู่ว่านจนะุหวัดหลวงตานะชันจุหันพร้อมเลยเมื่อที่กับว่าชันจุนิบันจุชันจุบันหน้าข้างถือว่าเมื่อที่กับเป็นมือทําบุญของ มูบานของพวกเข่าลูกหลานทุกคนมาพรอมหนาพอมตากันได้ทําบุญประจํำมูบานนิม่อนผูบายจานพระสงฆ์มาสวดพระปริตตมงค่นแล้วก็ได้กินข่าวกินน้ำร่วมกันเห็นหนาเห็นตากันถ้าหากว่าพวกเข้าอยู่ในบ้านก็ต่างคนต่างย่างกายกันแต่ปัตติพวกเข้าได้มาฟังพระสงฆ์สวดพระปริตตมงคลรับศีลร่วมกัน ฟังแนวโอวาดของลงปูลงตาจะให้โอวาดกับหมู่บ้านของพวกเฮาสรุปแล้วก็คือพวกเฮาให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นพลาซุกให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันและก็ให้ตังอกตังใจทำมหาเลี่ยงชีพทำมหาเลี่ยงชีพทําบุญกุศลบุญสางกุศลพอบแล้วก็พร้อมกันกาะแสวงหาทรัพอม หลวงพ่อเคยบอกกับผู้คนทั้งหลายที่มากเกี่ยวของหลวงพ่อบอกว่าชาติย่าโย่เบยถึงพวกเข้าจะทํามากหากหายมั่นขยันได้เงินเป็นลอยล้านชิบล้านพันล้านลอยล้านพันล้านมากไม่ขนาดไหนก็เจะจะว่าตัวเองฉลาดที่เดียวก็ยังว่าท่านยอมรับเด้ในหลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่งยังว่ท่านยอมรับว่าคนมีเงินมากๆถ้าหากว่าคนมีถ้ำพร้อม มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเขาสูจิตใจพร้อมเป็นคนที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายต่อมีนำใจต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพร้อมอนันตเพื่อน จ, จัดว่าเป็นคนดีแต่ว่าคนที่หาเงินได้มีแต่คนรุ้ยซื้อแต่ยังบอกท่านจะว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นพวกเขานี่ถึงจะหาเงินข้ามทรัพย์สมบัติล่ำลุวยได้เงินมากเสืออาหารได้ดีมากิน ซื้อยาดีๆว่ากินซื่อเสื้อผพาดีๆมานงงงมสร้างบ้านหรูหราโอ้อ่าล่าค้าเป็นสิบล้านร้อล้านให้ร่างกายอยู่ร่างกายของข้าก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะลูกหลานคณะสัตว์ทยหยาดโยมนะร่างกายของข้าเนี้ยเป็นอื่นอยู่เสมอเหนขั้นพันยูบัน้นสวยๆงามๆต่อไปมันบ่มเป็นจีนมไปหนาเลยมันจิกแก้ไปหนา เ, เดี๋ยวจ่างน้อยก็เห็นผมหงอก เดี๋ยวจะน้อยก็เห็นฟันรุดแล้วก็ตาฝ้าฟ้างนังเหี่ยวหลังคอมซักไม่เท่าไปเลยแหะขั้นพอตายง่ายนี่แหละร่างกายถึงจะเลี่ยงขนาดใดก็ตามไหลไปสู่ความแก่ความชราความในสูงก็ถึงจุดจบร่างกายแต่ว่าจิตใจคือหน้ามัธรรมที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษานี่บอกเป็นแจ้งสั่นขั้นผูมีคุณธรรมในจิตใจเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดารสกทาฆ่าหน้าค่าอรหรัน ถึงร่างกายจะสุดส้มไปยังไดรก็ตามจิตใจของคนมีแต่ความโดดเด่นเป็นอิสร ะ, ะพ่ออยู่ในร่างกายว่าไรได้ก็ถิมร่างกายเลยที่พอถูกพอโศกพ อ, อมีความทุกโศกเศร้าพ่อใจของคนเป็ น, เ ป, นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระรหานแล้วอันนี้ก็คือซิ่งนี่พวกเขาต้องศึกษาเนอะอานาจทาญาทย่อมลูกหลานทุกขูทกทุกคนขั้นบูศึกษากับโมโหคือกันละ อันนี้หลวงพอ่อเคยบอกกล่าวให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมที่มากเกี่ยวข้องนะแล้วก็สําหรับมูลบานห่อกระยังที่ว่าขึ้นกันให้พวกเล่าเสาะแสวงหาทรัพย์ก็จะตั้งอยู่ด้วยความประมาทในการเสาะแสวงหาทรัพย์กีดโยงกีดยงางธรรมาค่าขายเสี้ยงใดก็ตามแต่เมื่อไดแล้วยาไปใสุ่ลุ่ยชลายในยุตนี่แหละสำคัญอีกได้คานาวาพวกเข้าใดขยันกระจริงโย แต่ได้มาแล้วโปรจากเก็บโรจากเก็บโปจา ก, ร, กรักษาได้มาได้หาใส่ซิฟพูนะวัิยได้จังไคันว่าเข้าหามาได้ิบบาทเข้าก็เก็บไวส้สักสอสบาทใส่ไปสหาหบาทหกเ็บาทจานวนจำนวนที่เก็บไว้มันก็คอยพอะพูนขึ้นเรื่อยๆอต่อไปพพ่ภาคนาเข้าก็จะได้ใส่ส่วนเกินนั่นแหละที่เข้าเก็บไว้ไวเวลาเข้าเจ็บใครได้ป่วย พ่อแม่พีนองเก็บไขได้ป้วนเขาจะได้ใส่เงิส่สนวนนั่นอะเรื่องวิธีการประหยัดพ่แม่นมีเท่าไดใส่เท่านั้นใส่กับมดอีลีละ่ละไฟนั่นให้พวกเข้าหูจักหาหูจักเก็บหูจักใส่นี่แหละเศรษฐกิจพ่อเพียงหูจักหาการหาทรัพย์กำมันขยันหามาแล้วพวกหูจักเก็บโมไรไเลยคือการับตรงองนาําหวชนะคู่กับป๋องหัวชนะ ถึงที่ขยันปไนเอ้ก็ตามตักนํามาใส่ลงไปตักตักตักใส่ขามันกล่นหัวขั้นหัวใหญ่เท่าไรตามแห้งแหงลงไปตักพอท่านขั้นพอนหัวหน่อยตักลงไปก็พอกแล้วก็ตักมาใช้แล้วก็พอกอข้ามันหัวหลเนี่ตักเท่าไรก็อหัวกับเข่าเพลิ่งออกหลายก็ตักเข่าอีกตั้งหากอันนี้แปลว่าครอบคพ่วงนี่ยเจ็งละทีไไปบอหลอด เพราะเหตุใดเพราะว่าขยันจริงยุ่แต่โมโหจักเก็บเพราะในห้องพวกเข้าทาั้งหลายหูจักเก็บแล้วก็หูจักใช้ตั้งหากใช่ให้เกิดประโยชน์ใช้รุ่ยช่วยแสบโดยเฉพาะจางยิ่งแม่ว่านเห็นอยงควางตาขว้างหน้าสือมดเพอพอเ่ยไปหาเรให้โลอีกตั้งหากอัน น, นี้พอดีเนี่ยลงปูลงตาลงคอลงปูเนี่ยลงตาในฐานะลูกหลาน เออเป็นลวงปูลงตาของลูกของหลานทุกขูทุกค น, กคนเพราะนั้นจึงบอกกาวสิ่งใดสิว่าเป็นโม่งค้นเป็นทิงหายยนะนาสิชางจิบหายเออลงตาจีแนะนําบอกกาวลูกหลานอย่าไปหาเหตุดเดินลูกหลานเอ้ยแน่วงังดไปหาเหล่นโบกเร่นไพเล่นล น, นั่นมันบอดีดอกเออขัานว่าเฮารุ้ยกับจิงโยแต่ผู้อื่นเขาหลองโหมรล่องไห้สามีภรรยาลูกหลานเขาเออตกตกแต่ ย, ยากเอ้าจะเป็นหัวะเลาะเออในการ เขาได้รับความทุกข์จังสันมันแมนบอ่อเฮาคืนปองนุก๊กขนว่าเฮ้าไปเสียโบกเสียไพ เ, เสียการพรนันทั้งหลอกครอบผู้อของเฮ้าทั้งผัวทั้งเมียต่อยตีกันดูสิลูกของเขาเพชรกันมาเรื่องตึงนั่งสิเฮ้าได้เงื่อนเขาไปเฮ้าก็จะไปดีใจมันแมนบอ่อหลังเสียงเรานี่มันโมแมนทั้งทั้งเขาทั้งเฮ้าเนี่ยนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายยจะไปเล่นการพรนัน หลังเครื่องยาบ้ายา마กคือการลงพอก็เป็นห่วงพวกลูกหลานกีดยางได้ไดเงินค้าขายยางค้ากีดยางแต่ตามไม่จริงค่าว่าเฮาใช้ถูกความประหยัดเฮาปฏิบิบพ่อมีเงินอยู่เลยเพราะเหตุใดพอว่ากิโลนึงก็สามสบสี่สิบบาทสาสิบี่บาทก็กีดเนี่ยมะแลงมืงเอเศ้าก็ะเดทขายแล้วนี่ยแต่ว่าเฮาประหยัดนะเฮาหู่จักเก็บนะ แม่บ้านเขจาจะเก็บพอบ้านเขจาจะเก็บร่วมกันเก็ บ, เ ก, บ เ, ออเก็บเพื่อหยั่งเก็บเพื่ออนาคตมืออื่นมือเฮื อ, อลูกเต่าเล้าหลานของเฮ้าไงขื่นมาคันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ้าสิเหตุอย่างไรคืดไวขืดไก่ไ ว, ไวนี่แหละโดยมากทั้งทังภาคกลางเขาบอกว่าทางอีสานนี่คนงานทางอีสานมาทํางานนี่ไม่รู้จักการวางแผนขว่านะ หลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อกขบว่าสบายใจขึ้กันพราเขาเป็นคนอีสานเวลาไปหาพวกเจ็ดแปดคนนั่นสิเจ้าหน้าเขาบอกเออผมจะมไม่มาง่ายนะ อ, อผมเอาอาหารมามามอบให้นะ อ, อมาย่างมาปิ้งมาอะไรเก็บไ ว, ไว้ไว้กินสักสามวันผมจะเข้ามาในนั้นะอาหารนี้เพียงพอผมมาให้เนี่ยเขาไปซื้ออาหารมาไว้หลายตุนไวน้ลงไปแต่ทั้งคนอีสานี่ไปหอด้วย มีอาหารหลายเนี่ยไหมเออบวชจักต่มบ่ชจักปิ่งบวชจักจ่างเออบวจักกินกับขีเผียวลงไปเอาฟาดเท่มือเดียวคาบเดียวเท่านั้นเกี่ยงตับเลยวันไปเออแล้วคาบเอื้อนนี่ยกินพักกับกินแจวแยะกระสร้างมันวัไปเออเพราะให้กินให้กินแซบคาบเดียวเท่านั้นแหละเออกินเอาย่างเต็มที่เอาลงไปเออย่างกินเนี่ยมัดมือวันนะี้จะมันมดวัะนะไปนี่แหละ อันนี้ก็คือชีวิตของอีสานของพวกเฮาหลวงพ่อได้ยินหรือกับป็นหวงกับแม่ทังสันติฤทธได้สังเกตบังพี่น้องทั้งอีสานของเฮาการทวารทำการทํางานกันพอทําการทํางานได้เงิน ย, ยดงานตะกอนเนี่ยไปหากินเหล่าไปหาเที่ยวตะก่อนอมดเงินตะกอนเงินพ่องตะก่อนยังคอยกลับมาทํางานยังคอยทํางานอีกพ่อได้รับเงินก่อนอีกคือเกา่าอีหลอบเกา่าอันนี้คือชีวิตของอีสานพวกเฮา ตามไม่จริงพวกเข้าหลวงพ่อวันนาจะนาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แหละให้ให้ใหัจักให้มันท่านโลกเขาถ้าว่าพวกเข้าเหตุจริงส่เละมิตรจดกับจนบําบัจักเก็บบําบัจักรักษาบําบัจักเก็บให้เก็บหอมรอมริบอันนี้พ่อพวกเงินพ่อเงินเขาเมื่อเท่า น, นั้นเออพ่อพปันกรรมกิทานไฟใส่เมือเ่อคนใดมันห้อนหมไดไปตามไม่จริงว่านาจะเป็นอยังไงแอ่พ่อ เงืนเขาเมื่อให้มดเพื่อ น, น้าแข็งเนี่ยเขามันอยู่ในมือของเห่าเก็บให้มันอยู่เห่าสีใสจงใังไดเห่าสีใสมากหน่อยแค่ไหนให้มีวิดไนในการใสขั้นพิจําจเป็นฟอใสจุดนั้น เ, เพื่ออนาคตต่อไปไายภาคนาการนว่าพวกเห่าบอได้เก็บไว้นะถึงจะเป็นชาวแก่สวนยางก็เถอะเท่าเนี่ยลุยยุบแต่ขายยางได้เท่าไรเท่าไรบาท่าแล้วพ่อขายยางแล้วบาทนี้ ใส่ลุยสุยแฉะพ่อเมียป่วยเขารงพยาบาล อ, าเอา่เป็นอามาเพิกอามาผาดจนต้องต้องดูแลเมียเลดูแลผัวดูแลลูกบาดเอเงินจำนวนนะ่ะเงื่อนก้อนบอมีบาดนี่นั่นแหละเพอเพอเอาสวนยางไปจำน้ำพอไปจำน้าจำนองเซตเทอร์นีก็ลดไปอีกอเลเพราะเหตุพรท่านกลับไปจนคือเก่าพเพราเหตุใดเพรอเขาบริเวว่างแผนชีวิต การวางแผนชีวิตของเขานี่จำเป็นนะพี่น้องลูกหลานทุกขูทุกคนพอพวกเข้าจะได้เขาไปสร้าคมอาเซียนแหะเด้วิทยุโทรทัศน์เขาก็บอกเขาก็เกาให้ฟังเขาก็บรรงแล้วก็สังเกตจากนั้นก็คิดแต่ติดตามเขาสิเหตุจังใดเขาสิบทุกบอย่างเสี่งเรานี่อยากจะให้ลูกหลานคณะจัทวาญาติโยมทุกขู่ทุกคนนะวางแผนชีวิตของเจ้าของแล้วก็พร้อมการเรื่องยาบ้ายา마ากด้วอกันที่หลวงพ่อเคยบอกไปบอกอยูไ่ไสซลุงพ่อก็บอก บอกให้พูยาะบาตกรรมนั่นนายอำเภอเนี่ยหลวงพ่อก็เคยบอกว่าอำเภอนายยุ่งของเฮ้าเนี่อบางคั่งกับปราบย่างรุ่นแรงหลวงพ่อเออหลวงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกอยากให้ปราบอออยากให้ปรามซะก่อนยังค่อยปราบปราบปรามหลวงพ่อจะปรามปราบหอปรามปราบปรามื่อคือยังไงแต่ว่าเฮ้าเห็นเล็กหน่อยลูกล้าน เนี่ยสีม่วงจริงสิกินยาบ้ายาขันช้ายาฟินยาเสพติดมาเอเฮ้ากับทามพมลูกไผมาแต่ใสพ่อแม่อยู่ใสอจดชื้อเสียงเรียกน้าไวอแล้วก็เอิดพ่อแม่ม้าเป็นยังไงลูกเจ้ามันกินยาบา้าวันนี่ยมันกินเนี่ยสีม่วงเนี่ยเยเฮ็ดยังไงเนี่ยเอาไปขั้งบอกเรื่องขงว่าพ่อแม่สีซ้อนก่อนเง้อสีเศร้าเอา ขั้นสีเศ้าก็เอาให้ตั้งค่ำหมั่นสัญญาว่าสีโบเฮตอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข, นขั้นคืนเฮตอีกดีนะประวัติที่ทบสองในบ้านเนี่ย เ, เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงอีกเข้านาอีกทบสองทีเศร้าบออขั้นเด็กมันมีอุปนิสัยโยมันติดหมูเพียงแต่ว่าิทดล่องกิ่นบึงซื่อเนี่ยมันกัสิเคสขยดมันกัสิโบเฮตอีกต่อไปอจังหวัดกับพ่อแม่กับทั้ง ก็ดีใจคนพลเมืองของประเทศชาติก็ได้ค้นดีมาอันนี้ก็คืออยากจะให้ปรามซะก่อนแต่มันเป็นนิสัยจริงๆปรามแล้วยังโมยูก็ต้องปราบระบาดเนี่ยปราบก็คื อ, อยังจับไปตัดสันดาน เ, เขาไปเขาคุกเขาตะล่างอย่างทีวานน่ะแหละอันนี้ก็คือตามกฎหมายบัตรเมืองขีดปอยไหวก็บโได้เพราะกดมันมีกดเกียนมันมีเฮ้ยเขาจะไปหามไปปรามกระโบได้อันนี้แหละ จียงเราเนี่อยากจะให้ผู้เยี่ยบานกำนั่นผู้สรงผู้นวุฒิขอฝากไว้กับพวกเข้าทุกขู่ทุกค้ น, น่ ะ, นะให้ดูแลพี่น้องไปชาช่อนอย่าให้หลงถลําเขาใจผิดคนวะว่าพวกเข้านะผู้ขายยาบ้าไฮโมู่กินคือที่ดีขึ้นกันนะพี่น้องดูกลารอย่าไปเห็นแก่เงื่อนคอรอแคลและเงื่อนเน็ตเน็ตหน่อยๆเป็นบนความถูกของผู้อื่นอันนี้พวกลมพววในฐานะหลวงปู่หลวงตา ในกลุ่มของตูเจ้าเลยลงปูลงตาลงพอนี่มีเมตตาต่อทุกข่ทุกคนอย่างลูกหลานได้เห็นนั่นพ่อสีซอยยังลงพอกับซอยซอยประเทศชาติบ้านเมืองซอยลูกจ่วยหลานมีอยังตกทุกข์ใจยากจังไงเอื่นไปหาลงพอสีซอยได้ลงพอก็ยินดีซอยลูกซอยหลานเพราะนั้นลงพอลูกหลานทิ่ถล่มเข้าไปสู่ความจิบหายความหายยันละลงปูลงตายังลงพอก็จะบอกเราลูกหลานด้วยจะไปหาเหตุนี ขั้นว่าขายยาบายามาให้ผู้อื่นกินกับแมนยูได้เงินมากแต่ว่าได้เงินบนความทุกข์ของผู้อื่นละ่ะเมื่อเขากินไปล่ะลูกของเขาติดยาบาผัวของเขาติดยาบาเมียของเขาติดยาบาเมื่อเขาติดยาบาแล้วมันครอบขั้วนั้นทะเลาะวิวาทกันบ่ไหวใจกันเนี่ยม็ดไผ่จะปาดข้อไผเนี่ยมืนขึ้นกระโบหูพอกินยาบาเข้าไปแล้วมัน ป, ประสาทร้อนอ่ะเฮาสิได้เงินมากเฮาสิมีความสุขกับเงินจังสั่นบ่ มันบแ่แมนแนลได้ลูกหลานขึ้นเป็นไงคัะทุกขันาวาเข้ามาถือของเข้าอลบาบเนี่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเข้าเนี่ยเป็นจังสันนะเข้าจีเป็นจังได้เขาจีทุกบ่อเข้าสุกเข้าก็ต้องทุกข์ขึ้กันเพราะนั้นเอ่ยยาไปเห็ดเฟินวาบุญล้านเฟินวาให้ทุกแกท่านทุกนั่นจะมาหาตัวเองเออท่าหาว่าเข้าหาทุกให้ครอบครัวเพื่นอีกสักเมือนึง ความทุกข์นั่นจะเข้ามาสู่ครอบครัวของเฮ้าเพราะฉะนั้นสิ่งมโนจะให้ลูกหลานทั้งหลายทบถ้วนกันกลองไตรตองและก็บอกก้าวกันพรอยู่ใกล้กันเป็นหูเป็นตาให้กันนะรักกันไว้คือกันพี่น้องเอาวิญวะณเดียวกันดูมูบานเดียวกันคำนว่าพวกเฮ้าพึงผ้าอาศัยกันไผ่จะพึงไผความพึงผ้าอาศัยบรรหาเฮ้าตายกันนี่แหละพี่น้องยุคใกล้ใกันเนี่ยลามกันไปถิ่มไปเก็บจบทรงสการ แสดงความสูขความโศกน้ำกันนะวันนั้นขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งทุกข่ทุกคนหักกันไว้เนะเมตตากันไว้เอ่ออย่าไปทะเลาะวีวาดวาดกันเอ่อธรรมดากัานธรรมดาละเออพี่ใดสองน้องใดหนึ่งเออบางที่กัผู้นึ่งได้เปรียบผู้หนึงก็เสียเปรียบเออผู้นึงเสียเปรียบผู้นึงก็ได้เปรียบไปหาใดขึ้นกันก็บ่ใดเออมันต้องมีดหาใดหาเสียห้ืหาเสียเข า, า, เาจะไปหา ทุกอกถูกใจจนเกินไปผู้ใดคือกันได้บานอะไจะไปหาเหยียบข้าย้ำผู้อื่นกับบอมแนลกับพี่น้องเขาเข้าได้พี่น้องของเข้าเสียให้หักกันไวให้เมตตากันไวคันว่าพวกเข้าคิดได้จังที่หลงพอเวบาการอยู่ร่วมกันมากมายก็จะมีแต่ความสงบปลมเย็นเปิดทุกข์นะทุกหลานทุกคู่ทุกคนเนอเมื่อ น, นี่ให้โอวอัลเพียงเท่านี้กอ่อนนะต่อไปนี่ก็จะให้ไปประพรมน้ําพุธมลไปทีนี่ เอาไงบุ่มคันน้ำมัน